มีใครอยากจะถามอะไรไหมไม่มีก็จะตอบอยู่ไม่มีคําถามก็แสดงว่ า, าถามแล้วถามแล้วก็ต้องตอบหรือตอบอะไรก็ได้พูดอะไรก็ได้ก็จะตอบว่าความสุขของพวกเราความทุกข์ของพวกเรา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 พิสุนักบ้าอยู่ถ้าโดนกัดร่างกายก็ติดเชื้อมาได้แล้วก็ตายได้หรือสมัยนี้เราก็สามารถถ่ายทอดเชื้อโรคให้ต่อกันและกันได้ทางจมูกทางอากาศก็ได้ทางเลือดก็ได้ทางอะไรหลายอย่างที่เรา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 สุราพิสุรานี่จะไปทำลายตับไปทาลา ย, ตายาไตทาให้ตายก่อนอายุอันควรอันนี้ก็เป็นทุกข์ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจทางจิตใจก็เวลาไม่ได้ดื่มสุราก็หงุดหงิดลำคาญใจแล้วก็อาละวาดเวลาได้ดื่มก็เมาแล้วก็อาละวาดอีกแบบหนึ่งนี่คือ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 ไฟไม่บ้านมันยังไม่ได้ไม่ที่ดินที่ดินยังมีอยู่ขโมยขึ้นบ้านก็เอาแต่ของไปเอาบ้านเอาที่ดินไปไม่ได้แต่เล่นการพ น, น, นันนี่หมดเนื้อหมดตัวและอาจจะหมดชีวิตด้วยเพราะถ้าไปเล่นแล้วไปกู้หนี้ยืมสินจากพวกอันพานเวลาไม่มีเงินคืนเขาเดี๋ยวเขาก็มาตามทวงหนี้ไม่มีเงินคืนให้เข า, เขาก็ฆ่าเรา นี่คือเรื่องของอบายามุขเที่ยวกลางเคิญก็เหมือนกันความเกลียดค้านก็เหมือนกันของการกระทาเหล่านี้ไม่ได้ทําให้เกิดเงินทองไม่ได้เกิดรายได้มีแต่เกิดรายจ่ายมีแต่เสียเงินเสียทองไปแล้วจะทําให้หมดเนื้อหมดตัวแล้วเงินทองไม่พอใช้แล้วก็จะทําให้ไปทําบาปอีกไปลักขโมยไปช่อโกง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 กับทางร่างกายด้วยพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราที่ต้องการความสุขใจไม่ต้องการความทุกข์ใจให้หลีกเลี่ยงการเสพอบายามุกอย่าดื่มสรุราอย่าเล่นการพนันอย่าเที่ยวกลางคืนอย่าคบคนไม่ดีที่ชอบเล่นการพนันชอบเที่ยวชอบดื่มสรุรามีความเกียดค้าน มาเป็นเพื่อนาะพ อ, พอถ้าเราเป็นเพื่อนกับเขาเดี๋ยวเขาก็ชวนเราไปทําในสิ่งที่เขาชอบทําเขาชอบดื่มสุราเขาก็จะชวนเราไปดื่มสุราเขาชอบเล่นการพนันชอบเที่ยวกลางคืนเขาก็ชวนเราไปพวกนี้เขาจะเกียดติคานไม่ชอบทํางานกันชอบเที่ยวชอบเล่นนซึ่งมีแต่เสียเงินเสียทอา นี่คือเหตุที่จะทำให้เกิดความทุกข์ใจและเกิดความทุกข์ทางร่างกายด้วยถ้าเราไม่ทำเราก็จะไม่มีความทุกข์ใจนอกจากนี้ก็อย่าไปทำบาปอย่าไปฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดโปรณีพูดปดอันนี้ก็เป็นการกระทำที่จะทำให้ใจเราทุกข์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 ก็อยากจะมีแฟนมีคู่เพราคิดว่าเวลามีแฟนมีคู่แล้วจะมีความสุขพอได้แฟนมาแล้วก็ต้องมาทุกข์กับแฟนนะเพราะเมื่อรักแฟนก็จะรักจะหวงจะห่วงใครมาคุยกับแฟนหน่อยก็ไม่สบายใจแล้วเวลาไม่เห็นหน้าตาแฟนไม่รู้ไปไหนก็ห่วงลนะ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 เราจ้บอกให้หลีกเลี่ยง ก, ก, การกระทําเหล่านี้อย่าไปกระทํามันแล้วให้มากระทําวิธีที่จะทําให้เกิดความสุขใจ <Evet. S 1> วิธีที่ทําให้เกิดความสุขใจก็คือให้เราทําบุญกันเง <Evet. S 1> ินทองที่เรามีอยู่นี้อย่าเอาไปเล่นการพ น, นันอย่าเอาไปเที่ยวอย่าเอาไปซื้อของที่ไม่จําเป็นของฟุ่มเฟือยของที่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 เราก็จะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นกัน mm hmm. แทนที่จะมาปฏิบัติธรรมเราก็จะไปดูหนังดูละครไปเที่ยวตามสถานท่องเที่ยวและแหล่งบันเทิงต่างๆไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้งกายไปร่วมหลับนอนกับแฟนไปกินเลี้ยงกันยามราตรีกินอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้ว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 ร่างกายเวลาเพียงมากๆง่วงนอนนี่นอนที่ไหนก็ได้นอนบนฟูกก็ได้นอนบนพื้นแข็งแข็งก็ได้นอนหลับเหมือนกันแต่เวลาตื่นขึ้นมาแล้วมันจะลุกหรือไม่ลุกถ้านอนบนฟูกหนาหนามันจะไม่อยากลุกมันสบายมันก็จะนอนต่ออีกสามสี่ชั่วโมงแต่ถ้านอนบนพื้นแข็งแข็งพอร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากนอน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 สร้างความสุขอันยิ่งใหญ่ให้กับใจและดับความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดจากความโลภความอยากต่างๆได้หมดดับความทุกข์จากการไปทําบาปดับความทุกข์จากการไปเสพอบายามุขต่างๆเพราะผู้ที่ปฏิบัติได้ขนแล้วจะไม่มีความหิวกับเรื่องการเสพอบายามุขจะไม่มีความอยากจะทําบาปทํากรรมจะไม่มีความอยากได้อะไร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 เ, เกิดมานี่ต้องมีใครสอนไหมว่าไปหาแฟนพ่อแม่เคยสอนให้ไปหาแฟนไหมเคยสอนให้ไปดูไปฟังไปอะไรบ้างไหมมีแต่จะหนีออกไปหาเองอพ่อแม่ไม่ต้องสอนเลยพ่อแม่มีแต่คอยห้ามว่าอย่าพึ่งไปมีแฟนอย่าพึ่งไปเที่ยวอย่าพึ่งไปเล่นไปเรียนหนังสือก่อนของดีๆไม่ชอบกันชอบของไม่ดี เพราะเคยชอบมาอยู่เรื่อยๆชอบมาจะติดเป็นนิสัยถ้าชาติก่อนเคยชอบดื่มสุราเดี๋ยวก็ไปหาสุรามาดื่มกันถ้าชอบเล่นการพนันเดี๋ยวก็ไปหาเล่นการพนันกันชอบเที่ยวก็จะไปเที่ยวกันนี่ยการกระทําของเรามันทาแล้วมันจะติดเป็นนิสัยไปถ้ามาชอบนั่งสมาธิชอบฟังเทศฟังธรรม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 คนชอบเข้าวัดก็พอเจอวัดก็จะเข้าวัดเลยคนชอบแฟนนี่ก็จะหาแฟนอยู่เรื่อยๆไม่เข้าวัดคนชอบเล่นการพนันก็จะเข้าบ่อนคนชอบดื่มสุราก็จะเข้าบาร์กันอันนี้เป็นนิสัยที่ดีและไม่ดีทีต่ติดตัวเรามาถ้าเรารู้ว่านิสัยไหนไม่ดีเราเลิกได้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 พราะคนเราจะเข็ดไงถ้ารู้ว่ามันทุกข์มันจะเข็ดถ้ามันยังสุกอยู่มันไม่เข็ดนะงั้นถ้าเราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆที่เราทำแล้วเราเห็นว่ามันไม่ดีเห็นแล้วเห็นว่ามันเป็นทุกข์เนีเราก็จะเลิกทำได้ถ้าเราไม่รู้เราก็ต้องไปถามคนที่รู้หรือให้คนที่รู้สอนนะวันนี้เรามาหาพระพุทธเจ้ามาหาคําสอนของพระพุทธเจ้ากัน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 ที่วุ่นวายใจที่ร้องห่มร้องไห้กันก็เพราะความโลภความโกรธความหลงนี่แหละไม่ได้เพราะอะไรหรอกไปหลงคิดว่าเขาดีกับเราพอเขาทิ้งเราเราก็เสียใจนะนะไม่มีใครเขารักเราจริงหรอกมีเราเท่านั้นแหะที่รักตัวเราจริงๆริงคนอื่นเขารักตัวเขามากกว่ารักเราพอ เ, เขาอยู่กับเราแล้วเขาเป็นทุกข์เขาก็ไม่อยู่กับเราแล้ว เพาอยู่กับเราเดี๋ยวเราก็ไปด่าเขาไปว่าเขาไปข อ, น, น, ขอนู่นขอนี่น่ะเขาเขาก็ลาคาญเขาไม่อยู่ดีกว่าพราะเาไปเราก็เสียใจนี่แหละคือสิ่งที่เป็นโทษเป็นพิษเป็นภายกับเราคือความโลภความอยากต่างๆความหลงความหลงที่ไปคิดว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดี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 มาสอนพวกเราให้รู้ว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษสิ่งที่เป็นคุณเราจะได้มาทำกันทำบุญกันแทนที่จะเอาเงินไปซื้อของตามความอยากเอาเงินไปทำบุญจะดีกว่าถ้าไม่เอาไปซื้อของความจำเป็นก็ได้ไ ม, ไม่ต้องทำบุญก็นใช้เงินทางที่เรามีอยู่นี้ถ้าเก็บไว้ใช้กับสิ่งที่มีประโยชน์ก็ไม่เป็นไรเก็บไปได้ แต่ถ้าจะาไปใช้ตามความอยากอยาเอาไปใช้ถ้าอยากจะใช้ก็เอาไปใช้ทำบุญดีกว่าเพราะบุญนี้ก็มีประโยชน์ทำบุญก็ทำให้เรามีความสุขใจแล้วเงินที่เราทำนี้ก็เป็นของเราเราเอาออติดตัวไปได้เวลาไปเราก็จะได้ไม่เป็นไม่ต้องไปเป็นขอทานทางทางทางทางจิตวิญญาณทางโลกทิ์ พวกที่ไม่มีบุญติดตัวไปก็เป็นขอทานที่มารับส่วนบุญนะี่พวกที่มารับส่วนบุญนะี่แสดงสแสดงว่าเวลามีชีวิตอยู่ไม่ได้ทำบุญเลยแล้วพอตายไปเลยไม่มีบุญติดตัวไปบุญก็เป็นเหมือนเงินทองที่เราไปใช้เวลาเราเดินทางไปต่างประเทศถ้าเราไม่เตรียมเงินทองไว้เดี๋ยวเวลาไปก็ไม่มีเงินติดตัวไป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 ทำให้เราตายไปแล้วะได้ไปเป็นเทวดากันแทนที่จะไปเป็นขอทานขอทานเขามีชื่อว่าเปรตไงพวกเปรตนี่ก็คือพวกขอทานไม่ทําบุญไม่รักษาศีลตายไปก็เป็นเปรตถ้าทาบุญรักษาศีลตายไปก็ไปเป็นเทวดาและพอกลับมาก็ยังมาเบิกเงินที่เหลืออยู่ในธนาคารได้กลับมาก็จะเกิดมาล่ำรวยไม่ยากจน เรามีเงินทองที่เราได้เอาไปทำบุญอันนี้ก็จะรอเราอยู่เวลาเรากลับมาเกิดใหม่ก่อนเราจึงมาเกิดรวยจนไม่เท่ากันไงเพราะชาติก่อนทำบุญมาหรือไม่ทำบุญมาไม่เท่ากันทำให้ชาตินี้มาเกิดรวยจนไม่เท่ากันถ้าอยากจะใช้เงินให้เป็นประโยชน์เอาไปทำบุญอย่าใช้เงินให้เป็นโทษ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 มีประโยชน์กว่าทั้งปัจจุบันใจก็จะไม่จะได้ไม่ติดกับการซื้อของไม่จำเป็นต่างๆไม่ติดกับการไปเที่ยวแลาจะทำให้เราเข้าวัดบ่อยแลาจะทำให้เราได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมต่อไปได้ไปรักษาศีลไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมไปฟังเทศฟังธรรมเพื่อสร้างความสุขอันยิ่งใหญ่ ด้วยการดับความโลภความโกรธความหลงดับความอยากต่างๆให้มันหมดไปจากใจใจของเราถ้าไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีความอยาก้วจะมีความสุขมากนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงของพวกเราอยู่ตรงที่ไม่มีความโลภความโกรธความหลงอยู่ที่ไม่มีความอยากต่างๆนี้ถ้าไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีความอยากล้วอยู่เฉยๆได้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 ไปโรงพยาบาลดีไหมไปให้หมอเข้าผ่าตรงนั้นผ่าตรงนี้เจาะตรงนั้นเจาะตรงนี้นัน่นแหละถ้ามาเกิดก็ต้องโดนกันทุกคนแ่ะโดนมากโดนน้อยที่กลับมาเกิดก็เ พ, เพราะยังทําตามความอยากทําตามความโลภ ก, กันอยู่ น, นั่นเองอยากกินก็กินเลยอยากดื่มก็ดื่มเลยอยากดูก็ดูกันเลยพอตายไปความอยากมันไม่หมด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 นานๆจะมีพระพุทธศาสนาอยู่ในโลกนี้สักครั้งนึงแล้วก็อยู่ไม่นานนอย่างศาสนานี้ก็อยู่ไม่เกินห้าพันปีพวเราตายไปนี่ข่าวต่อไปจะมาเป็นมนุษย์นี้ไม่รู้อีกกี่พันปีนะไม่ใช่ตายพวกวันนี้พวกว น, นี้ก็กลับมาเกิดใหม่ต้องไปใช้บาปใช้บุญเี่ไม่รู้กี่ครั้งฆ่าสัตว์กี่ตัวก็ต้องไปเป็นสัตว์กี่ครั้งเนฆะ่าปลาฆ่านกฆ่าอะไรต่างๆเนี่ย ฆ่ามดค่าแมลงยต้องกลับไปเกิดเป็นมดเป็นมแมลงไปก่อนไปใช้กรรมก่อนใช้บาปก่อนเป็นกว่าจะหมดนะถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาคราวหน้าจะไม่มีาศาสนาพูดอยู่แล้วก็ได้หรือกลับมาเกิดในที่ประเทศที่ไม่มีาศาสนาก็ได้ก็จะไม่มีใครสอนใครบอกหรือกลับมาเกิดในาศาสนาก็ไม่สนใจก็ได้ เหมือนกัตอนนี้ก็ไม่สนใจที่จะปฏิบัติตามจริงๆ จ, งจังๆงมาปฏิบัติพอหอมปากหอมคอมาปฏิบัติเพื่อทำให้ใจสบายวันสองวันก็พอแล้วตอนนี้ทุกใจก็มาปฏิบัติกันพอหายทุกใจก็กลับไปทำเหมือนเดิมกลับไปหาความทุกข์อีกพอทุกข์อีกก็กลับมาอกีกเหมือนกับเข้าโรงพยาบาลรักษาพอไม่สบายก็เข้าโรงพยาบาล พอหายแล้วก็กลับไปไปหาความทุกขกันอีกไปหาโาครคภัยไข้เจ็บกันอีกมันต้องเข็ดเลยพอเข้าโรงพยาบาลรักษาแล้วก็อยากกลับไปทำแบบเดิมอีกคนที่เขา้าเข้ามารักษาทางใจทางธรรมนี่ถ้าก็รักษาหายแล้วเขาเขไม่เขาก็าาาไม่กลับไปทำอย่างเดิมอีกแล้วเพราะเขาไม่อยากจะทุกข์ใจเหมือนที่เขาทุกข์กัน เราก็รู้ว่าทุกพ่ไปทําบาปเขาก็เลิกทุกเขาก็เลิกทําบาปกันทุกเพราะไปเสพใ บ, บายามุกเขาก็เลิกเสพกันทุกพราะความโลภความโกรธความหลงทุกพ่อความอยากเขาก็เลิกความโลภความโกรความหลง ก, ก, กันเลิกความอยากกันแล้วเขาก็จะไม่ทุกข์อีกต่อไปดังนั้นก็ขอให้เราคิดถึงโอกาสอันวิเศษคิดถึงวาสนาคิดถึงโชคของพวกเรา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 ใช้โอกาสอันเลิศอันประเสริฐนี้มาฟังคําสอนของพระเจ้าให้บ่อยๆให้มากๆเพื่อที่จะได้เกิดศรัทธาเกิดความเชื่อเกิดความฉันทะความยินดีที่จะปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเพราะเพราะว่าถ้าเราเกิดความเชื่อเกิดศรัทธาแล้วเกิดฉันทะแล้วเราก็จะปฏิบัติได้ เราจะทำได้มันไม่ยากถ้าเรารู้ว่าการกระทาที่ดีที่สุดสาหรับชีวิตของพวกเราเป็นการให้ความสุขที่แท้จริงกับพวกเราเป็นการทำลายความทุกข์ทั้งหมดที่มีอยู่ในใจของพวกเราให้หายไปหมดเราก็จะอยากปฏิบัติกันอยากจยากระทำกันอยากจะถือศีลแปดกันอยากจะไปอยู่วัดกันอยากจะทิ้งทุกอย่างที่มีอยู่เพราะมันเป็นทุกข์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 ก็ขออนุโมทนาให้พรหยิบได้ทุกเล่มเลยหยิบได้ทุกเล่มเลยข อ, องแจกเป็นธรรมทานไม่ต้องเกรงใจถ้าไปอ่านเอาไปได้ถ้าไปแจกอย่าเอาไปไม่ให้แจกให้เอาไปอ่านบางคนชอบเราไปแจกมันต้องแจกว่าเราแจกได้ไงม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 คนไทยก็ต้องมาคำถามจากผู้ปักถามเด็กช่วงวัยรุ่นชั้นมัธยมที่มักทำตามอำเภอใจไม่ดูแลร่างกายตนเองนอนเกินสีทุ่มไม่ทบทวนเรื่องเรียนทั้งที่มีโอกาสทำให้เป็นเลิศโดยมักประมาทว่ารู้แล้วหมกมุ่นกับเกมและโซเชียลไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบกบติกาของสังคม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 เหมือนเราเคยถนัดมือขวาตายไปกลับมาเกิดใหม่ก็จะใช้มือขวาไปถนัดซ้ายกลับมาเกิดก็จะใช้ซ้ายงั้นถ้าเราเห็นว่าไหนไม่ดีเราต้องแก้ถ้าเป็นลูกของเราเราก็ต้องหาหาวิธีแก้ถ้าอยู่บ้านแล้วไม่ดือ้อไม่ฟังสอนไม่ได้ก็ต้องส่งไปโรงเรียนกินนอนแทนไปโรงเรียนกินนอนแล้วมันดื้อไม่ได้เขามีกฎมีระเบียบ ถ้าดื้เขาก็ไม่ให้เรียนถ้าเขาเรียนอยู่โรงเรียนกินนอนไม่ได้ก็ถือว่าอนาคตเขาก็กลำบากนะเพราะเขาจะไม่มีวินัยในตัวเขาเองเขาจะเรียนไม่จบแล้วต่อไปทำงานก็หางานดีๆทำไม่ได้เราก็ควรจะวาดภาพให้เขาเห็นอนาคตของเขาว่าถ้าเขาทำทำตัวอย่างนี้อนาคตจะเป็นอย่างไร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 เขาจะทำไม่ทำตามก็เรื่องของเขาข้อต่อไปคำถามจากทาง Facebook Live นะครับจากคุณเกียรติศักดิ์นะครับเวลาบริกรรมพุทโธบางครั้งก็แวกไปคิดเรื่องอื่นแต่พอรู้สึกตัวก็กลับมาพุทโธอีกต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับจนกว่ามันจะสงบโดยไม่ต้องกังวลว่าจะสงบเมื่อไหร่ใช่มันจะสงบก็ต่อเมื่อเรามีพุทโธอยู่นะ ถ้ามีพุโทโธอย่างต่อเนื่องไม่นานมันก็สงบได้ที่มันไม่สงบสักทีก็เพราะว่ามันแวบไปคิดเรื่องนั้นแวบไปคิดเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆก็ต้องพยายามดึงให้อยู่กับพุโทโธให้มากตอนเริ่มต้นมันก็เป็นเหมือนกับแบ่งแบ่งเวลากันเริ่มต้นอาจจะพุโทโธสัก10ไปคิดสักเกซต่อไปถ้าอาจจะเพิ่มเป็น20 20 80ต่อไป30มสเจ็ดสิเนี่ย ต่อไปถ้าพุโทโธมีกำลังมากขึ้นจะอยู่กับพุโทโธได้นานขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็สงบเองคำถามจะคุณแพท์นะครับลูกอ่านหนังสือเตรียมสอบเข้ามาหาลัยเวลานอนหลับนอนกัดฟันตลอดเวลาจนฟันศึกเกิดจากความเครียดการฝึกนั่งสมาธิจะช่วยได้ไหมคะก็ลองดูเลยกยจะนั่งได้เปล่า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 คนนึ่งเขาจะดีจะชั่วเขาก็มันก็ไม่ได้มาทำให้เราดีเราชั่วด้วยหรอกถ้าอยากจะรู้เราก็มีประวัติข้าวๆให้อ่านแล้วไปอ่านในหนังสือที่เรียกว่ามหาเศรษฐีที่แท้จริงอันนั้นก็จะมีประวัติข้าวๆให้ฟังถึงเส้นทางเดินเข้าสู่พระพุทธศาสนาว่ามาอย่างไรไปอย่างไร ถ้าอยากจะรู้อ่านประวัติของหลวงปู่มั่นดีกว่าก็าไปดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์มีให้ดาวน์โหลดหนังสือประวัติหลวงปู่มั่นประวัติหลวงปู่ขาวนี่ครูบาอาจารย์สุดยอดเอาประวัติของท่านดีกว่าเรามันเป็นเพียงแต่แค่ขี้ฝุ่นของท่านนั่นเองคำถามจาก youtube คำถามจากคุณอุ้ย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 ให้มีพุโทโธเราเลิอกอยู่เรื่อยๆเอาสักชั่วโมงเดียวเท่านะั้นแหะเมื่อวานนี้ก็เราให้ไปทดลองดูแล้วได้เรียกนั่งให้อยู่กับพุโทโธอย่งหนึ่งชั่วโมงไม่คิดเรื่องอะไรเลยลองทําดูสิแล้วมันก็จะได้คําตอบเพราะให้เราเล่าให้พูดไปมันก็ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรพูดไปแล้วเดี๋ยวก็ลืมแต่ถ้าเห็นด้วยกับตายองนี่มันจะไม่ลืมสิ่ปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นนะ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 มาาว่าาคำถามจากคุณแมวดาวนะครับขอขอาดพระอาจารย์สอนวิธีปฏิบัติและทำใจเมื่อป่ปวยหนักก็เนี่ยหละก็ให้ทํ า, า, าใจให้สงบอย่าคิดถ้าคิดแล้วมันจะทุกข์เพราะมันจะอยากให้หายมันจะกลัวกลัวจะตายาถ้าเราคิดความจริงไม่ได้ก็หยุดความคิดก่อนให้พุทโธพุทโธไป พอเราไม่ตปคิดถึงความเจ็บถึงความตายเราก็จะสบายใจใจสงบถ้าเราคิดความจริงได้ก็คิดไปเลยว่าน่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเดี๋ยวมันต้องแก่เดี๋ยวมันต้องเจ็บเดี๋ยวต้องตายไ ม, ไม่ไม่ว่าจะเป็นของใครเป็นเหมือนกันหมดเราก็เป็นหมอก็เป็นพยาบาลก็เป็นคนที่ดูแลเราก็เป็นเหมือนกันเพียงแต่ว่าคิวใครคิวมันเท่านั้นเองอนนี้เป็นคิวของเราแล้วที่ต้องเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไป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 คิดขึ้นมาเองว่าเวลาไปใช้ของวัดแล้วเราเป็นหนี้วัดแล้วเราต้องใช้หนี้รันจริงไม่ได้เป็นหนี้กันหรอกวัดก็มีหน้าที่ที่จะรองรับผู้คนที่จะม า, าทำบุญกันก็ต้องมีน้ำมีไฟอะไรไปส่วนผู้คนที่มาทำบุญถ้าอยากจะช่วยสนับสนุนให้มีน้ามีไฟใช้ก็ช่วยทำบุญจ่ายค่าน้ำค่าไฟไปแต่ไม่ได้ถือว่าเป็นหนี้กันเพราะว่า เป็นการให้กันและกันไงเป็นทานวัดก็ให้ทานญาติโยมญาติโยมก็ให้ทานกับวัดเนี่ยต่างฝ่ายต่างช่วยสนับสนุนกันก็น้ําไฟไมันก็มาจากเงินที่ญาติโยมมาทําบุญนี่แหละถ้าญาติโยมไม่มาทําบุญจะเอเงินที่ไหนมาจ่ายค่าน้ําค่าไฟเพราะวัดไม่มีไรายได้พระไม่มีไรายได้พระไม่ธรรมะไม่ได้ทํามาหากินเหมือนญาติโยมนะยังเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทางวัดมีอยู่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 อ๋อสายวัดเป็นที่อาบน้ำพร ะ, ะเปลี่ยนล้างหน้าแปรงฟันอะไรต่างๆใจท่านเดี๋ยวนี้วัดเลยทำทำห้องน้ำแบบอาบน้าไม่ได้ละ น, นี่ได้แต่ใช้ห้องน้ำอย่างเดียวแต่ไม่ให้อาบน้ำคำถามจากคุณนางฟ้านะครับถ้าเรายังมีครอบครัวอยู่เพียงถือสีนห้ามีความเพียรเป็นโสดาบันได้ไหมครับ การจะเป็นโสดาบันไม่ใช่อยู่แค่ศีลแค่ศีลห้ามันต้องมีมีศีลสมาธิปัญญาในระดับของพระโสดาบันดนั้นก็ต้องต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วนั่งสมาธิทําใจให้สงบให้ได้ถ้าใจยังไม่สงบนี่ยังไม่มีไม่มีความสามารถที่จะเห็นปัญญาได้เ<อ>ห็นความจริงได้ไม่สามารถเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราได้ ก็ยังจะยึดติดอยู่กับร่างกายยังปล่อยร่างกายไม่ได้คำถามทุกคุณมาริกานะครับพุทโธพุทโธพุทโธมีอาการเหนื่อยไหมคะสระผมลูกค้าไปพุทโธไปรู้สึกเหนื่อยหอบมีเหนื่อยเกี่ยวกับพุทโธไหมคะเวลาคิดไม่เหนื่อยบ้างไหมเวลาคิดทั้งวันไม่เหนื่อยนะคิดหาเงินคิดเที่ยวคิดเล่นเงนนี่รู้สึกไม่เหนื่อยกันเลยนะพอให้อยู่กับพุทโธคำเดียวนี้มันเดือยขึ้นมานะ มันก็เป็นความคิดเหมือนกันไม่ใช่นะมันเหนื่อยเพราะกิเลสไม่ยอมไม่คิดอะไรมันก็เลยสู้กันมันก็รู้สึกหน่อยเหนื่อยเหนื่อยเพราะมันต้องต่อสู้กันเพราะว่ากิเลสมันจะให้คิดถึงขนมนมเนยคิดถึงของเล่นใช่ไหมหนูนี่คิดชอบคิดอะไรชอบเล่นใช่ไหยชอบเที่ยวใช่ไหมถ้าให้อ่านหนังสือนี่ไม่ไม่ชอบเลยใช่ไหมเหนื่อยเลยใช่ไหม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 มายามันเขาเรียกก็มายาของกิเลสมันสร้างอุปสรรคต่างๆขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้เราไม่อยากจะพุโทโธไม่อยากจะดูลมคำถามจะคุณแบทแมนนะครับก่อนบริกรรมนั่งสมาธิพุโทโธเราต้องบริกรรมหรือสวดบทสวดอะไรก่อนหรือไม่ครับแล้วแต่อยากจะสวดก็ได้ไม่สวดก็ได้แล้วแต่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 ก็ไม่ต้องไปสนใจมันมันมาก็มามานแล้วมันก็ไปถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันมันเดี๋ยวมันก็หายไปเองถ้ามันมาแล้วเราไปคิดไปยุ่งกับมันมันก็จะอยู่กับเราไปเรื่อยๆฉนั้นเราก็อยู่กับพุทโธไปมีอะไรผูกใจไว้แล้วเดี๋ยวอะไรต่างๆที่โผล่ขึ้นมามันก็จะดับไปมันก็จะเป็นเหมือนแสงหิ่งค่อยเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับไปคาถามจะคุณรุ่งรักทาไมเปรตปรทัศ ตูปะชีวิเปตถึงรับส่วนบุญจากมนุษย์ได้ครับและเป็ดจาพวกอื่นถึงรับส่วนบุญไม่ได้เราก็ไม่รู้เหมือนกันต้องถามพระพุทธเจ้าดูเราก็รู้คร่าวๆว่าเปตเนี่เป็นพวกที่มารอรับส่วนบุญแต่จะเป็นพวกไหนรับได้พวกไหนรับไม่ได้นี้เราไม่ได้ศึกษาลึกไปถึงขนาดนั้นถ้าอยากจะรู้ก็ลองเข้าไปค้นหาใน Google ดูสิคาถามจะคุณหมู ที่ฉันเคลื่อนไหวเห็นเกิดดับแต่เมื่อเลยนับลมมันไหลาตามความคิดไปเลยค่อยเห็นขอท่านแนะนำด้วยค่ะก็ดึงกลับมาสิกลับมาที่พุทธโธอย่าไหลไปพอรว่ากำลังไหลไปขอคําคิดก็ดึงกลับมาที่พุทธโธพุทธโธไปต้องพยายามเกาะติดอยู่กับพุทธโธเหมือนกับคนที่ลอยอยู่ในน้ำเนี่ยในลาธารพอไปเจออะไรที่จะเกาะได้ก็รีบกเกาะใช่ เแล้วเกาะให้แน่นน้ํามันจะได้ไม่ชัดเราไปอัในใดใจของเราก็เหมือนกระแสน้ํามันความคิดของเรานี่เป็นเหมือนกระแสน้ำมันคิดไปเรื่อยๆถ้าเราไม่มีอะไรเกาะมันก็จะไหลไปตามกระแสความคิดมันก็จะไม่สงบเนั้นเราต้องเกาะติดไว้กับอย่างใดอย่างหนึ่งกับพุทโธก็ได้กับนมหายใจก็ได้กับกรรมฐาน40เนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราชอบก็เลือกเอาอย่างใดก็ได้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 เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรคะได้เท่ากันเนะ่ยถ้าจำนวนเงินเท่ากันนะถ้าอันไหนจำนวนเงินมากกว่าก็จะได้บุญมากกว่าทำมากก็ได้มากเหมือนกินข้าวกินมากก็อิ่มมากกินน้อยก็อิ่มน้อยคำถามจากคุณกรวีอยากเกิดมารวยมาสวยมาเก่งต้องทำบุญด้วยอะไรก็รักษาศีลแล้วก็ทำบุญบ่อยๆใส่บาตรทุกวัน ทำบุญทำทานทุกวันไม่ใส่บาทก็ได้แต่ให้ทําบุญบ่อยๆทําบุญเยอะๆแล้วก็รักษาศีลให้บ่อยสุดกลับมาก็จะเกิดมาสวยมารวยคําถามจะคุณแป้งใช้คําภาวนาพุทธังส ร, านานระนังคาฉามิทำมังส ร, านานระนังคาฉามิสังฆังส ร, านานระนังคาฉามิภาวนาไปเรื่อยๆจะลืมคําภาวนาไปเลยเป็นเพราะอะไรครับ ก็เพราะหยุดนีนหยุดมันก็ลืมเลอย่าไปหยุดมันมันก็ไม่ลืมอะพอมันขี้เกียจมันหยุดปั้นมันก็ลืมอะคำถามจะคุณรุ่งเรืองนั่งสมาธิแล้วง่วงนอนจะหลับอย่างเดียวต้องทำอย่างไรครับไปนั่งในปาดด่าช้าหน่อยหรือไปนั่งหน้าปากเขวก็ได้คำถามจะคุณอาร์ตนั่งสมาธิแล้วเป็นดวง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 แต่กลัวทุศีลต้องคอยมีสติตามทั้งวันก็ต้องคอยรู้ว่าเราจะพูดอะไรเราจะทำอะไรถ้าเรามีสติเราจะรู้ละว่าเรากำลังคิดจะพูดไม่ดีพูดปดเรากำลังจะหยิบของของคนอื่นมาเราจะกำลังจะโกงนมันถ้าไม่มีสติมันจะไม่ทันเพราะกิเลสบางทีมันไวบางทีมันเห็นเงินปั๊บมันหยิบก่อนและเรามา แต่ถ้ามีสติพอมันจะหยิบนี่มันจะรู้ทันทันทีเั้นต้องฝึกสติคอยดูความคิดของเราจะมีสติได้ก็ต้องมีพุทโธก่อนมันมีพุทโธพุทโธไปแล้วจิตมันก็จะรู้ทันความคิดมันต้องคิดก่อนมันถึงจะทำได้ก่อนที่จะไปพูดปดนี่มันต้องคิดก่อนก่อนที่จะไปหยิบเงินของคนอื่นหยิบข้าวของคนอื่นมันต้องคิดก่อน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 เอาเงินของเขามาแล้วขโมยเข้ามาแล้วรู้ว่าผิดก็ไปคืนเขาก็ยังก็ยังก็ยังดีทำให้บาปที่เราทำนั้นมันมันมันหมดไปได้แต่เราขโมยเงินเขาแล้วแต่บาปบางอย่างมันมันแก้ไม่ได้เท่ับไปตีหัวเขาแล้วเนี่ยเขาเจ็บแล้วเนี่ยจะไปขอโทษเขามันก็ไม่ได้ทาให้เขาหายเจ็บนอกจากไปชดใช้ค่าเสียหายให้กับเขาที่คุ้มกับที่เขาเจ็บเขาก็อาจจะ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 ความจริงการภาวนานี้ไม่จำเป็นจะต้องใช้พุโทโธกับลมคู่กันไปสามารถทำอย่างใดอย่างหนึ่งได้เลยจะพุโทโธอย่างเดียวก็ได้จะลมอย่างเดียวก็ได้ถ้าเราต้องการเปลี่ยนความเร็วความช้าของพุโทโธนี้เราก็อย่าไปดูลมเพราะลมนี่มันมันจะมันตายตัวมันจะหายใจเข้าหายใจออกของมันทุกทุกเท่าไรหกสิบครั้งต่อนอาทีไะใช่แต่ถ้าจะ เปลี่ยนความเร็วความช้าของพุโทโธนี่เราก็อยากไปผูกไว้กับลมอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวแล้วเราอยากจะให้มันเร็วก็ได้อยากจะให้มันช้าก็ได้เพราะบางเวลามันคิดมากก็เร็วขึ้นมาหน่อยมันก็จะได้ทำให้หยุดความคิดได้ถ้ามันไม่คิดมากเราก็พุโทโธไปแบบสบายสบายนิ่งขอแนะนำว่าเอาอย่างใดอย่างหนึ่งดีกว่าอย่าไปผูกติดไว้กันไม่จาเป็นไม่รู้ใครสอนนะ ความจริงพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยสอนให้ผูกติดกันไว้ดูลมท่านก็ให้ดูลมอย่างเดียวเวลาดูลมให้รู้ว่าหายใจกำลังกำลังหายใจเข้ากําลังหายใจออกใหร้รู้แค่นี้ถ้าลมหยาบก็รู้ว่าหยาบลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดลมสั้นก็รู้ว่าสั้นลมยาวก็รู้ว่ายาวไม่ให้ไปเปลี่ยนลมไม่ให้ไปกำไม่ให้ไปบังคับลมให้ใช้ลมเป็นที่ผูกใจไว้ท่านั้นเองเพื่อไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ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 เราเวลาจิตมันฟุ้งมันจะแข่งกับเราแล้วก็คิดมันจะคิดแข่งกับเราแล้วก็พุทโธให้มันผี่ขึ้นให้มันเร็วขึ้นอันนี้ก็เราสามารถเปลี่ยนความเร็วช้าได้ถ้าเราใช้พุทโธเพียงอย่างเดียวถ้าเราดูลมด้วยพุทโธด้วยเราก็ต้องไปกับลมพุทข้าโทออกพุทข้าโทออกอันนี้ไปเปลี่ยนมันให้มันเร็วให้มันช้าไม่ได้เพราะมันต้องเป็นไปตาม ความเร็วของลมหายใจคำถามจะคุณวิไลลักษ์ฤทธิ์แห่งใจคืออะไรคะใช่เวลาที่เรานึกคิดอะไรจะเกิดสิ่งนั้นหรือเปล่าคะถึงเรียกว่าฤทธิ์แห่งใจไม่รู้เหมือนกันเพิ่งได้ยินว่านี่เป็นยังไงฤทธิ์แห่งใจคำถามจะคุณประกาศเคยได้ยินคำพูดที่ว่ารู้ทำแต่ไม่ถึงทำคืออย่างไรเจ้าคะก็เนี่ย รู้ธรรมก็คือฟังธรรมแต่ยังไม่ได้เห็นตัวธรรมยังรู้แต่รู้แต่ชื่อแต่ไม่เคยยังไม่เห็นตัวเช่นรู้ว่าสติเป็นยังไงแต่ยังไม่มีสติเนี่ยรู้ธรรมรู้ว่าสติคือการพุโทโธพุโทโธแต่ความจริงไม่มีพุโทโธอยู่ในใจเลยอันนี้เรียกว่ารู้ธรรมแต่ยังไม่ถึงธรรมรู้ปัญญาแต่ยังไม่ถึงปัญญา รู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราแต่ยังยึดยังยึดยังติดอยู่ว่าเป็นตัวเราของเราแล้ว ร, ร, รู้ว่ารู้ธรรมรู้ว่าร่างกายไม่ใช่ของเราแต่ความจริงก็ยังยึดยังติดอยู่กับร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราอยู่คำถามจากคุณหนูนีนะครับทำอย่างไรจึงจะคลายการยึดที่ตัวบุคคลใดคนหนึ่งได้คะก็อยู่ห่างๆเขาสิอย่าไปอยู่ใกล้เขา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 ไปแบบที่หนูทำค่ะก็แล้วแต่ว่าแม่เขาถามเราหรือเปล่าถ้าแม่เขาขอคำปรึกษาเราก็บอกแม่ได้ถ้าแม่เขาไม่ได้ขอร้องเราไปสอนแม่ น, นี้ก็ไม่ควรถ้าอยากจะสอนก็ขอกาบเท้ากาบเท้าแม่ก่อนระเราขออนุญาตขอสอนแม่หน่อยได้ไหมถ้าแม่บอกได้ก็สอนถ้าแม่บอกสอนไม่ได้ก็อย่าไปสอนคำถามจากคุณสุนิสาการภาวนาให้จิตอยู่กับองค์ภาวนา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 คำถามจะคุณจงศิรียิ่งให้ยิ่งได้จริงไหมคะก็ลองทำดูสิก็ดู <c oughs> <integral. S 2> พ่อเวชสรรดอนก็แล้วกันแต่ไม่ได้ให้ให้วันนี้แล้วเย็นนี้จะได้นะไม่ใช่ตอนเช้าใส่บาทเย็นนี้ซื้อหวยถูกบางคนใส่บาทเช้าพอเย็นซื้อหวยถูกหวยดีใจอะไรคิดว่าโอ้นี่แหละคือยิ่งให้ยิ่งได้เดี๋ยววันหน้าลองดูไหม่ไม่ได้แล้ว อันนั้นมันลุ๊กเข้าใจไหมมันบังเอิญตอนเช้าใส่บาทแล้วตอนตอนเย็นก็ถูกหว ย, ยแสดงว่ามันบังเอิญการให้นี้ท่านหมายถึงให้ชาตินี้แล้วชาติหน้าถึงจะได้คืนจะได้มากกว่าที่เราให้ไปเพราะไม่มีดอกเบีย้ยด้วยไงเพราะกว่าเราจะกลับมาเกิดใหม่นี่อาจจะไม่รู้กี่ร้อยปีก็ ด, ดูที่ถ้าเราฝาสนาคารไปหลายร้อยปีนี่ดอกมันจะมากแค่ไหนมากกว่าต้นอีกใช่ไหม คุณเจริญบอกมาว่าจัดหลักสูตรอริยะยุคไอทีไม่ติดขัน5สัโยอสามได้ไหมครับจะจัดอะไรก็จัดไปสิถามเราทำไมไม่เกี่ยวอะไรให้หน่อยตอนนี้หมดแล้วครับมีใครจะสอบถามเพิ่มไหมครับเชิญเลยครับามาแล้วคำถามเวลาผมทานยายสมุนไพรนะครับรู้สึกว่ามัน มันมันต้องทำใจเนี่ยมันเกิดจากว่ากิเลสมันยังมันยังไม่ยอมลาไอยิ่งนักไม่ถึงทำใจเลยคือโปรตีนเนี่ยยาสมุนไพรนี่มันจะมีอยู่ประมาณสิบกว่าชนิดใช่ไหมฮะเวลาทานลงไปเนี่ยเราต้องมาดูพิจารณาโอ้โหเนี่ยมันขมมันมันมันกินยากมันอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็คุณก็ดูผลต่อการกินกับการไม่กินเดีว่ามันอันไหนมันดีกว่ากัน ถ้ากินแล้วทาให้ร่างกายหายจากโกาครคภัยไข้เจ็บกับไม่กินแล้วต้องมีโครคภัยไข้เจ็บถ้าคุณเห็นว่ากินแล้วดีกว่าถึงแม้จะขมจะยากคุณก็จะมีกําลังใจที่จะกินต้องดูผลที่จะได้จากการกินของเราถ้าเราไม่ดูผลมันก็อาจจะเบื่อจะท้อแท้เบื่อหน่ายอันนี้อยู่ที่อยู่ที่เราเราต้องรู้จักมองมองเหตุมองผลไงว่า ทำอย่างนี้แล้วจะได้อย่างนี้ไม่ทําอย่างนี้แล้วก็จะไม่ได้อย่างนี้เราต้องการผลอย่างไรถ้าเราต้องการผลอย่างนี้เราก็ต้องทำตามตามเหตุ น, นั้นไปแล้วเวลาเวลาเราปลูกท้องขึ้นมาเนี่ยเวลาที่มันปวดก็มากเราทนไม่ไหวถ้าเราถ้าเราแยกกายแยากจิตออกเนี่ยเออมันก็บรรเทาได้เป็นเป็นข้างคราวนะครับ แต่บางทีจิตค่ๆก่อนเสมือนอย่างว่ามันเออทําไมมันมันไม่ทําไมไม่วิญญาณไม่หลุดออกไปเลยแค่ๆว่าคืออยากให้อยากให้ร่างกทิ้งร่างนี้ไว้แล้วก็วิญญาณนี้หลุดไปเลยเก็มันยังไม่หลุดอย่างก็ต้องอยู่กับมันต่อไปพยายากให้มันหลุดก็จะทุกข์ไปเปล่าๆก็มีทางเดียวก็คือพยายามทําทใจให้นิ่งแล้วก็อยู่กับสภาพนั้นไปอย่าไปอยากให้มัน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 เพราะมันเป็นไปไม่ได้แล้วมันจะทำให้เราทุกข์ทรมานใจขึ้นมาวิธีที่จะทำให้เราไม่อยากก็พุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดอะไรอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเี้ไปแล้วมันจะลืมความเจ็บไปเลยแล้วความทรมานใจก็จะหายไป อยแล้วก็เบาแล้วก็สบายสว่างอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้ว่าใช่ไหมก็มันสงบหรือเปล่ามันคิดอะไรเปล่ามันคิดเรื่องขึ้นนี้หรือเปล่าไม่ได้คิดอก็ใช้ได้แหละแล้วจะทยังไงให้อยู่ต่อไปเรื่อยๆก็นั่งบ่อยๆทําเยอะๆเนียเพราะว่าอยู่ได้แป๊บเดียวแล้วก็มีสติมาอก็กลับก็นั่งต่อไปเลยก็นั่งต่อเรื่อไปของมันเองก็ต้องบังคับให้มันนั่งก็ต้องทำต่อไป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 กินข้าวชามหนึ่งมันก็อิ่มในระดับหนึ่งสองชามมันก็ระดับหนึ่งมันก็อิ่มมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราทํามากๆขึ้นเดี๋ยวมันก็จะได้มากขึ้นไปเรื่อยๆถึงแม้เราจะมีสติกับมาแล้วเราก็นั่งต่อได้อีกถ้าเราอยากจะให้มันสงบแล้วเราก็นั่งต่อไปอีกแต่ถ้าไม่ได้ก็นั่งต่อไปเรื่อยๆเพราะมันไม่ได้ทุกครั้งอะค่ะก็ต้องอยู่ให้มีอยู่กับพุทโธอย่างเดียวอยู่กับอารมณ์เดียวอย่าไปคิดถ้าคิดแล้วมันก็จะไม่ได้ แล้วก่อนจะมานั่งก็ต้องควบคุมความคิดไว้ก่อนพุทโธไปทั้งวันเลยเต้นขึ้นมาก็พุทโธไปเลยกลางว่างจากงานก็พุทโธถ้าไม่ต้องใช้ถ้าไม่ต้องใช้ความคิดก็พุทโธไปถ้ามันไม่เินมันจะนั่งสบายหรือว่าถ้ามันไม่คิดก็ไม่ต้องพุทโธก็ได้ถ้ามันคิดเพ้อเจ้อเพ้อฝันก็พุทโธหยุดมันแต่ถ้ามันไม่คิดก็ไม่ต้องพุทโธก็ได้ถ้ามันรู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้เฉยๆก็ไม่ต้องคิดกันช่ได้นะครับ ซื้อของมันก็จะไม่ซื้อเองนั่นแหล ะ, ะเพราะหยุดความคิดได้พนะ อ, อไม่มีความคิดความอยากมันก็เกิดไม่ได้พยายามทําไปนะน ะ, ะใช้พุโทโธหยุดความคิดไปถ้ามันคิดเพ้อเจ้อเพ้อฝันคิดอยากได้นู่นคิดอยากได้นี่ก็ใช้พุโทโธหยุดมันขอบคุณครับกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับมีเด็กเข้ามาปรึกษาครับเ อ, อประมาณชั้นป .4 หรือรอายุประมาณสักสิบกว่าครับ เมื่อก่อนเขาก็ไม่เคยกลัวผีอะไรนะครับนะ<ม>พอเติบโตขึ้นมาในเวลาเขาอาบน้ำนี่เขาล้างพอจะล้างหน้าเลยนี่เขากลัวฮะ<ม>อยากได้ผู้ใหญ่มาอยู่เป็นเพื่อนนะครับขอคำแนะนำหรือว่าสุรบานะคร<บ>แก้ เ, เวลาเขากลัวให้เขาคิดถึงวาพุทธเจ้าเหมืหอนกันบอกพระพุทธเจ้าคุ้มของเราได้ให้เราพุทโธพุทโธไปนะ พอเวลาหนูกลัวรีบท่องพุทโธพุทโธไปภายในใจแล้วเดี๋ยวก็จะไม่มีอะไรมาทําให้เราทําร้ายเราได้พอกค์เจ้าบอกเวลาไปอยู่ที่หน้ากลวัวให้คิดถึงร พ, พระพุทธธรรมพระสงฆ์สวดอิติปิโสไปก็ได้สวดอานังสัมมาสวาทขาโตสุปฏิปันโนไปก็ได้หรือถ้าขี้เกียจสวดก็เอาพุทโธคําเดียวก็ได้หรือพุทโธธรรมโมสังโฆก็ได้ ให้ท่องไปพุทธโธธรรมโม ส, สังโฆแล้วถ้าเด็กท่องพุทธังสระนังกระฉามิเป็น <c oughs> ก็ให้ท่องพุทธังสระังกระชามิทำมังสระนังกระฉามิสังคังสระนังกระชามิบอกให้ท่องไปเรื่อยๆจนกว่าจะหายกลัวแล้วเดี๋ยวก็จะหายกลัวเอง <c oughs> ถ้าท่องหยุดๆนี่จะได้ผลดีไหมครับมันมันเหมือ น, นกับกินยากินๆหยุดๆมันก็ไม่ได้ผลดีกับแบบกินแบบไม่หยุดต้องท่องไปจนกระทั่งมันหายกลัว เวลาเกิดความกลัวขึ้นมาท่องไปท่องไปถ้าท่องยาวไม่ได้ก็ท่องสั้นๆพุโทโธคําเดียวก็ได้อย่าหยุดพุดโทโธเดี๋ยวมันก็หายกลัวเองเดี๋ยวจิตสงบแล้วมันก็จะหายกลัวความกลัวมันเกิดจากความคิดของเราเองใช่ไหมตอนก่อนที่เราวันเราเร า, เราไม่คิดเราก็ไม่รู้สึกกลัวเลยตอนนี้เราไม่กลัวอะไรแต่พอไปอยู่คนเดียวที่มืดๆเปรีย ว, ยวๆกลัวขึ้นมาทันทีพรคิดขึ้นมาเอง เราก็หยุดความคิดนั้นสิให้พุทธทัวพุทธไปเดียวมันพอมันหยุดคิดความกลัวก็หายไปมีใครถามอีกไหมมีข้างในมีมีคำถามต่อมาหรือยังมีข้อนครับจากคุณสกุลนาลานะครับจิตกับตัวรู้คืออันเดียวกันใหม่ครับคือจิตมันมี2 ส, ส่วนไงตัวรู้กับตัวคิดนะตัวรู้ตัวรู้เราจะเรียกว่าใจมโนตัวคิดเนี่ยเรียกว่าจิต ตัวคิดก็มีอยู่4ส่วนรวมกันที่เรียกว่านามขันตัวคิดก็คือสังขารตัวจาก็คือสัญญาตัวรับรู้รูปเสียงกลิ่น่นก็เรียกว่าเวีญาตัวตัวสุขตัวทุกข์ก็เรียกว่าเวทนาอันนี้เรารวมอยู่ในจิตส่วนตัวรู้นี่จะอยู่ในใจแต่ตัวเดียวกันในใจนีมันจะมีในจิตในใจนี้จะมีสองส่วนส่วนที่รู้กับส่วนที่คิด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 มันก็มาอยู่บนจอตัวรู้อีกทีตัวรู้ถึงจะรู้เสียงรู้กิ่นรู้รู้ความคิดต่างๆเนี่ยเพราะมีความคิดให้รู้พอหยุดความคิดมันก็ไม่มีให้ความคิดเหลืออยู่เวลานั่งสมาธิเราก็จะหยุดตัวคิดตัวรู้ไอ้ตัวคิดตัวตัวจำตัวอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็จะเหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวแล้วเราจะรู้ว่าตัวรู้ตัวรู้ตัวเดียวเนี่ยดีที่สุดเพราะมีความสุขมากพอคิดแล้วมันปวน ทำให้เกิดความวุ่นวายใจต่างๆขึ้นมาพอหยุดความคิดได้ปั๊บนี่เหลือแต่ความสงบเหลือแต่ความเย็นความสบายเราถึงต้องมาฝึกนั่งสมาธิกันเพื่อให้เข้าถึงตัวรู้นี้เพื่อหยุดตัวคิดหยุดคิดได้แล้วจะสบายเพราะความคิดของเราร้อยเเซ็นตนี้คิดไปในเรื่องสร้างความทุกข์ทั้งนั้นคิดไปในทางความอยากมันก็เลยทุกข์วุ่นวายกันไม่มีรู้จักจบจากสิ้นพอเราหยุดความคิดได้ปั๊บนี่มันจะหายทุกข์เลย มันจะเย็นจะสบายเหลือแต่ตัวรู้รู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้ <c oughs> คำถามจากคุณจีราพรนะครับหนูนั่งสมาธิโดยใช้การสวรดมนต์อิติปิโสบางครั้งก็สวดยี่สิบจบบางครั้งก็เกือบสี่สิบจบกว่าจะสงบนิ่งก่อนที่จะสงบมีอาการเหมือนตกหลุมอากาศวูพ้พอนิ่งแล้วจะใช้การดูลมหายใจแทน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 มันวูบลงไปทีมันก็จะสงบอย่างเต็มที่ลมก็จะหายไปร่างกายบางทีก็หายไปด้วยอย่างนั้นก็ดูป ด, ดูต่อไปพยายามมีสติให้ดูลมไปเรื่อยๆหมดแล้วเหรอขอการถามเรื่องการจะเดินัน เืองันหาอัยตนะที่ว่าที่ว่าถอนออกมานี่มันถึงเข้าไปในสมาธินานหรือยัง ก, ก็เข้าไปนานแล้วค่ะเออต้องให้มันถอนออกมาเองนะ <Okay. S 2> ไม่ใช่ไปดึงมันออกมานะเ <Okay. S 2> ลานั่งสมาธิจิตรวมันนิ่งก็ปล่อยมันนิ่งไปอย่าไปดึงมันออกมา <Okay. S 2> ให้มันออกมาเองให้มันนิ่งนานๆอ่ก็เป็นบางทีก็เป็นชั่วโมงอ่า อ, อย่างนั้น <Okay. S 2> พอนั่งไม่ไหวแล้วพอออกมาเอามาเริ่มคิดก็เอามาคิดทางปัญญา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 Precise, um, อย่างนีก็เรียกว่านิจังไม่เที่ยงแล้วก็มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมจนถึงกว่ามันจะถึงเส้นเส้นชายถึงเส้นชายแล้วออ claro. แล้วมันก็เปลี่ยนอีกใช่ไหมพอถึงว่ามันก็ไปเปลี่ยนเป็นอะไรเป็นที่เท่าไปนใช่ไหมนี่ก็แสดงว่ามันเป็นธาตุใช่ไหอไม่เที่ยงใช่ไหมเรามาธาตุก็ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตนใช่ไหมตัวเราก็หายไปแล้วใช่ไหม ตัวที่ชื่อในกรณ์ในขอนี่ก็หายไปแล้วเหลือแต่กระดูเหลือแต่ที่เท่าแล้วพิจารณาเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นดินน้ําลมไฟมันไม่ใช่ตัวเราของเราเราเป็นผู้ที่มาใช้มันสั่งมันให้ทํานู่นทนํานี่คนใช้คนสั่งนี่ไม่ได้เป็นร่างกายเราเรียกว่าจิตใจตัวนี้ไม่ตายไปกับร่างกายแต่ตัวนี้กําลังทุกกับร่างกายเพราะหลงไปคิดว่าเป็นตัวเราของเรา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 การพิจารณาแบบนี้ก็จะทําให้เราต่อไปไม่ทุกข์กับร่างกายปล่อยวางร่างกายได้เวลาเจ็บก็ยิ้มได้เวลาตายก็ยิ้มได้เพราะเราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับมันแล้วเรายอมให้มันแก่ให้มันเจ็บให้มันตายเ <c oughs> ท่านั้นเองยอมท่า น, นั้นเองยอมหยุดแล้วก็เย็นเข้าใช่ไหม right? พอยอมแล้วก็หยุดต่อต้านหยุดความอยากเนี่ยยอมให้มันแก่ยอมให้มันเจ็บยอมให้มัตายแล้วก็จะหยุดความอยากไม่แก่หยุดความไม่เจ็บหยุดความไม่ตาย ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้พอเราไม่มีความอยาก <c oughs> ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใจเราก็เย็นสบายนั่นแหละการพิจารณาร่างกายก็มีอย่างนี้อันนี้สําหรับเรื่องร่างกายของเราเรื่องร่างกายของคนอื่นที่เราักที่เราอยากจะร่วมหลับนอนด้วยก็ต้องดูอสุภะของเขาดูตับไตไส้ตรง ด, ดูก็ดูดูหัวใจดูตับดูปอดดู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 เพื่อที่เราจะได้ดับการอารมณ์ต่างๆเวลาเกิดการอาร ôm, มณ์พอเห็นว่าเป็นอสุภะปั๊บมันจะหายไปเลยไม่จับไม่เคยเนวการมาบ่อยๆแล้วกะเป็นถึงแนวกางก็จะมาเรื่องอายกระเนื้อไปเลยจะเหมานนะสมไหมคะกายตะนาก็คือของที่เราดูด้วยตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสไงมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เหมือนกันเวลา ได้ดูก็สุขแต่เวลาไม่ดูก็ทุกเวลาได้เที่ยวก็สุขเวลาไม่ได้เที่ยวก็ทุกนั้นอย่าไปเที่ยวดีกว่าอย่าไปอยากเที่ยวดีกว่พาพออยากเที่ยวแล้วเวลาไม่ได้เที่ยวก็จะทุกมานั่งสมาธิทําใจให้สงบดีกว่าอย่าไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสพูดง่ายๆถือสีแปด่ยให้มาถือสีแปดกันแล้วก็มาเสพความสงบแทน อย่าไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็อย่าไปเสพสีรูปเสียงกลิ่นรสก็คืออยายตนะภายนอกตาหูจมูกนิ้งกายก็คืออยายตนะภายในของมันของอย่างนี้มันคู่กัน อ, ยอยนายะอายตนะภายนอกกับอยายตนะภายในต้องเป็นต้องจับคู่กันตาต้องมืเห็นรูปถึงจะเกิดเวทนาความสุขขึ้นมาได้หรือความทุกข์ขึ้นมาได้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 จะเล่นเนคขมมะแทนถ้ามาเสพความสงบแทนมานั่งสมาธิทําใจให้สงบแทนแล้วก็คุณแป้ง อ, อยากให้วัดต่างจังหวัดให้มีฟังเทศเท่าที่เห็นจัดแต่พิธีปลูกเสกพระอาจารย์เห็นอย่างไรครับไปอยากมันได้ยังไงโลกมันเป็นอย่างนี้แหละเราก็ทําส่วนของเราไปเลยคนอื่นเขาจะทําไม่ทําก็เรื่องของเขา เราคนเดียวเราจะไปสั่งให้วัดทุกวัดในประเทศไทยนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ได้ที่ไหนเขาก็มีความอยากของเขาเขาอยากจะปลูกเศษก็ปล่อยเขาปลูกเศษไปหมดแล้วครับพระอาจารย์หมดแล้วใช่ไหม ม, มีใครอยากจะถามอีกไหมไม่มีจะได้ปิดประชุมนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลา <c oughs> ก็ขอให้นำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไป พ, พ, พิจารณา ไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถอนหนูคนนี้ดีเนี่ยจิตมีสมาธิดีนะนั่งเฉยเฉยได้เล่นเก่งไหมไ้คไปที่ชายครับดีข้อหนึ่งอ่ะเขาก็น่าสนใจครับคุณโชคชัยครับจะตรวจสอบความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมด้วยตนเองอย่างไรครับก็ความกิเลส น, น้อยลงแรือมากขึ้นนะ ถ้าปฏิบัติทําแล้วกิเลสมากขึ้นก็แสดงว่าถดถอยถ้ากิเลสน้อยลงก็แสดงว่าก้าวหน้า